ปาราชิกสิกขาบทที่4ว่าด้วยวัตถุ8มีการยินดีการจับมือของชายเป็นต้นเรื่องภิกษุณีชับพะคีข้อ674สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุณีฉับพะคี กำนัดยินดีการจับมือบ้างยินดีการที่ชายผู้กํำนัดจับมุมสังคาตีบ้างยืนเคียงคู่กันกันกบชายบ้างสนทนากันบ้างไปที่นัดหมายบ้างยินดีการที่ชายมาหาบ้างเดินตามเข้าไปสู่ที่รับบ้างน้อมกายเข้าไปเพื่อคลุกคลีกันด้วยกายนั้นเพื่อจะเสพอสธรรมนั้นกับชายผู้กํำนัดบ้างบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิ ประนามโผลทนาว่าชนัยภิกษุณีชาวพัีจึงกำหนัดยินดีการจับมือบ้างยินดีการที่ชายผู้กำหนัดจับมุมสังคาตีบ้างยืนเคียงคู่กันกันกบชายบ้างสนทนากันบ้างไปที่นัดหมายบ้างยินดีการที่ชายมาหาบ้างเดินตามเข้าไปสู่ที่ลับบ้างน้อมกายเข้าไปเพื่อคลุกครีกันด้วยกายนั้นเพื่อจะเสพสรธรรมกับชายผู้กำหนัดบ้างเล่าครั้นแล้ว